อเด็กๆใครเคยเจอหลวงพ่ออะไรอย่างเคยเจอมากี่ที่แล้วนะใครที่เคยเจอยกมืออ๋อที่เลยไม่เคยเจอนะ่ <c ười> จำหน้าไว้นะเกิอปีหน้าเจอกันอีกปนะ้าคุณหลวงพ่อเป็นอ่าเป็นรับป่านะเป็นรับป่านี่ก็มี ต้นไม้เยอะนะต้นไม้แล้วก็มีสิ่งสาราสัตว์นะต้นไม้นีก็มีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะแต่ว่าทุกต้นนี่นะจะมีลักษณะนะคล้ายกันนะอย่างนก็นคือว่าเขาจะคอยนะอะ่กินก้างนะ แล้วก็มีใบนะก็แพรกิ่งก้านแล้วก็มีใบนะเพื่ออะไรนะก็ เ, เพื่อจะรับแดดถามว่าแดดมันร้อนนะ<ะ>ดดไหมอยางที่ร้อนมันร้อนนะแต่ต้นไม้ต้นเซนเนี่ยเขาพร้อมทีออ่จนะแผ่กิ่งก้านแล้วก็มีใบนะปกคลุมไปทั่วเลย ใบแต่ละไบมี้ก็รับแดดแล้วก็รับแดดเต็มที่ด้วยนะแต่ต้นไม้นี่เขาก็ยินดีเพราะอะไรเพราะว่าแดดเนี่ยนะมันทำให้ต้นไม้เนี่ยเขาสามารถจะผลิตอาหารนะต้นไมน้ถ้าไม่มีแดดนะเขาก็ผลิตอาหารไม่ได้นะนะเขาผลิตอาหารแล้ว ก, ก็เลี้ยง เลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งแล้วให้เจริญนะอาหารที่มันไปไหนนะอาหารที่ส่วนก็เลี้ยงตัวเองนะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปให้กับเอาไปเผื่อแผ่ให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะอาหารที่เก็บไว้ในในรากนะก็มีใช่ไหมเรวมนะ่มันมันเนี่ยเก็บอาหารไว้ในราก มันจะเก็บอาหารไว้ที่ต้นอันนี้เราเส้บุกอ้อ ย, อยนะอ้อยเนี่ยเคยกินอ้อยไหมหวานนะหวานนะนั่นแหละอาหารอาหารที่ก็ผลิต ม, มาจากแดบดบเคยกินมะม่วงไหมมะละกอมไหมกล้วยไหมอ่านั่นแหละอาหารอาาที่ต้นไม้ก็ผลิตได้เขเก็บไว้ในในผลไม้แล้วเขก็ให้สัตว์นะนานาชนิดให้นกให้ลิงแล้วพวกเรากินด้วย เขายอมเหนื่อยนะเขายอมลำบากนะเจอแดดร้อนๆเนี่ยนะนะเพื่อให้เราได้มีอาหารกินให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะไม่ว่าจะมีปีไม่มีปีเนีย่ยจะเป็นหนูมาเป็นกระ่อกมากินเนะี่ยนี่แหละธรรมชาติต้นไม้เป็นอย่างเนี้ยแลแ้วแ้านั้นไม่พอนะก็ยังให้ลมเงานะให้ลมเงานะเวลาเราอยู่ใต้ต้นไมน้นี่มีความสุขไหมะนะแดดร้อนๆมีความสุขนะเพราะว่า มันไม่มีแดดส่องนะมันมีรลมเงานพะวกหนูพวกนกพวกแม้แต่มดนะก็มาอาศัยรลมเงาของต้นไม้นี่แหละนะนะพวกเราเนี่ยนะเป็นน่บุญคุณพวกต้นไม้นี่นะและ้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถจะเป็นครูสอนเราได้วเออเรานี่ก็เป็นอย่างเขาได้นะพวกเรา ก็คือ <Dynamic> ว <other hàng> ่าถึงแม้เราจะเจอแดดเจอความร้อนนะแต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เป็นของดีได้นะเวลาพวกเราเจอนะเจอปุบเจอความยากลาบากเจอความไม่สบายเนี่ยเจออากาศร้อนเนี่ยลองไปดต้นไม้โอ้เขาเจอแดดร้อนๆนี่เขาเจอแดดนี่เขาชอบเลยเ้าจะเปลี่ยนนะ มันเป็นของดีให้เป็นอาหารเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็เลี้ยงไว้มีความสุข ด, ด้วยเลี้ยงชีวิตไว้มีความสุข ด, ด้วยนะเราก็เป็นได้อย่างอย่างต้นไม้เหมือนกันนะก็คือว่าเราเจอความยากลำบากนะแต่ว่าเรายิ่งเจอเรายิ่งเข้มแข็งยิ่งเติบโตนะเนี่ก็อยากจะให้ให้ให้พรพวกหนูนะ ว, ว่าเนี่ยให้เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะให้เรา ใหญ่เหมือนก็ต้นไม้นะไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ตัวแต่ว่าสามารถที่จ ะ, ะทำประโยชน์นะให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วยประโยชน์นั้นได้มาจากไหนนะก็ได้มาจากนะาการรู้จักเปลี่ยนนะความยากลำบากนะเวลาเราทำการบ้านนะเราไม่ชอบนะ รสึกว่ามันลำบากนะอันนั้นแหละเป็นของดีนะเครียดทำให้เราเนี่ยจะเติบโตเข้มแขงขึ้นได้นะแล้วต่อไปเนี่ยนะเราก็จะเป็นที่รักนะของสัตว์นานาชนิดนะลิงก็รักต้นไม้นะนกก็รักรักต้นไม้นะคนก็รักต้นไม้นะเพราะว่าต้นไม้เนะี่ยก็มีคุณเราก็จะเป็นที่รักของคนอยู่ได้เหมือนกันนะถ้าเราเนี่ยนะเราเรียนหรือว่าเอาต้นไม้เป็นครูนะ ตนไม้เห็นะเราทิ้งอะไรลงไปเนี่ยนะทิ้งขยะลงไปทิ้งอะไรลงไปนี่ต้นไม้ชอบเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมดเลยนะปุ๋ยของต้นไม้นี่ก็มาจากขยะนี่แหละใช่ไหมฮะเออเอาขยะเอาเราฉีดลงไปเนี่ยนะหรือแม้จะเราถายจระเข้เนี่ยพวกหนูพวกมแมลงนเนี่ยฉีดถายอะไรต้นไม้นีชอบเลยเปลี่ยนขยะเปลี่ยนพวกสิ่งปฏิกูลพวกเนี่ยให้มันกลายเป็นปุ๋ยนะ กลายเป็นผลไม้กลายเป็นมะละกอกลายเป็นมะม่วงนะกลายเป็นแอปเปิ้ลให้เรากินไงนะให้เราเป็นอย่างเงี้ยนะเกิดมาเพือ่อจะได้ทํำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วก็ทาําผืโให้กับตัวเองด้วยมีความสุขนะก็ขอเพื่อให้เรานะเติมแข็งนะเจริญงอกงาม น, นะแล้วก็มีความสร้างความสงบร่มเย็นให้กับผู้คนเนะี่ยเหมือนต้นไม้นะ ดีมะเออนะเออแล้วก็อย่าไปปลูกต้นไม้ที่บ้า น, นีกเยอะนะที่บ้านมีต้นไม้มนะั้ยมีนะเออเยอะไเออเยอะมากนะอบอกอลอง้องดูต้นไม้ล้ว่าเออเขาเขาสอนอะไรเรานะต้นเหรอเออปลูกอีกนนะปลูกเยอะแล้วก็ปลูกในใจเราด้วยนะใจเราเป็ต้นไม้ เออต้นไม้บางทีมันก็อาจจะอาจาอาจะมีใบไม้นะร่วงหล่นนะก็จะไปว่าเขาน ะ, นะต้ น, นไม้มีใบไม้ร่วงไหมบ้านเราอะ่ะนี่นะให้รู้ว่านั่นของดีนั่นเนี่ยเป็นปุ๋ยนะต้นไม้เนี่ยไม่ว่าทิ้งอะไรลงไ ป, ปมีประโยชน์หมดเลยนะ อะไรที่มาจากต้นไม้นี้ไม่มีอะไรที่มันซูนเปล่าเลยมีประโยชน์หมดแม้กระทั่งใบใบแห้งๆที่ทิ้งลงมาแต่บางทีเราไม่เข้าใจเราก็อ<ม>บนตน้นไม้ก็ไม้ทิ้งใบทำไมเยอนะแยะที่เกต็ดกว่านะ<ม>ของดีทั้งนั้นเลยนะนะอะไรนะอ่าเด็กน้าคบหนุ่แคบดาลนั่งหลังตรงน่ ะ, ะเป็นนมเลีนะ้ย อนเชลีวันทาอภิว่าอนเชลีวันทาอภิวาอนเชลีวันทาลุกขึ้นที่ระเขานะคะน้าบนสุดเด็กลุกของยาต้อจัดเรียบที่ไหนนะถามที่หนึ่งก่อนเลยค่ะน่นปูน วินนี่ลูกครับโมีีล้ก็โอเตรียมมาเ